เช่นในการบาเพ็ญวิปัสนาเป็นต้นองค์ธรรมบางข้อพบบ่อยๆในฐานะต่างๆกันเช่นวิริยะที่เป็นอิทธิบาทก็มีเป็นพละและอินทรีย์ก็มีเป็นโพชฌงก็มีทำให้ดูเหมือนซ้ําซากพึงทราบว่าเป็นการจัดตามคุณสมบัติและหน้าที่เช่นวิริยะเป็นอิทธิบาทในกรณีที่เป็นหัวแรงใหญ่ ซึ่งให้บรรลุผลสำเร็จนั้ น, น, นเป็นพะละในกรณีที่เป็นพลังคุ้มกันตัวทำให้ธรรมะฝ่ายตรงข้ามเข้าครอบงาทำอันตรายไม่ได้เป็นอินทรีย์ในกรณีที่เป็นเจ้าการซึ่งจะออกโรงทาหน้าที่กำจัดกวาดล้างอกุศลธรรมฝ่ายตรงข้ามคือความเกียจคร้านความหดหู่ท้อถอยหงอยซึมเป็นต้น และสร้างความพร้อมในการที่จะทำงานเป็นโพชงในกรณีที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งซึ่งเข้าร่วม ง, งานกับองค์ทำอื่นๆทำหน้าที่สัมพันธ์สืบทอดกันเพื่อนำไปสู่จุดหมายคือความรู้แจ้งสัจธรรมองค์ประกอบที่เกื้อหนุนและเสริมประโยชน์ของสมาธิ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 ดังพุทธพจน์ที่พระพุทธโคษาจารย์นำมาตั้งเป็นประทูสำหรับเขียนเรียบเรียงเนื้อหาของคำผีวิสุทธิมรรคทั้งหมดว่าภิกษุเป็นคนมีปรีชาตั้งอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและปัญญาเธอมีความเพียรมีปัญญาครองตนพึงสางรกชัดนี้ได้พุทธพจน์ที่อื่นๆตรัสแสดงว่า ธรรมะต่างๆไม่ว่าจะเรียกเป็นมัคเป็นโพชงเป็นสติปทานเป็นสมปะปทานก็ตามคนตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงจะปฏิบัติได้ผลเปรียบเหมือนคนจะทำงานที่ใช้กำลังก็ต้องอาศัยพื้นแผ่นดินเป็นฐานหรือสัตว์ทั้งหลายทั่วไปจะยืนเดินนั่งนอนก็ล้วนต้องอาศัยพื้นแผ่นดินรองรับ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 ความมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมณสิการศีลเป็นฐานรองรับการปฏิบัติเพื่อสมาธิโดยทำหน้าที่เป็นพื้นให้เหมือนกับช่วยส่งผลอยู่ไกลๆแต่ปัจจัยใกล้ชิดแท้ๆที่จะให้เกิดสมาธิได้แก่ความสุขจึงวางเป็นหลักไม่ว่าความสุขเป็นประทัดฐานของสมาธิ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 หรืออาจอ้างพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชาณาติแปลว่าผู้มีใจตั้งมั่นยอมรู้เห็นตามเป็นจริงพูดไข ค, ความว่าเพื่อเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาให้ปัญญาเจริญจนบรรลุจุดหมายของมันอย่างไรก็ตาม จะต้องไม่ลืมว่าตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างองค์มรรคปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเป็นเข็มชี้ทิศหรือเป็นไฟส่องทางอํานวยแสงสว่างช่วยให้องค์ธรรมทุกอย่างเดินหน้าได้และลั่นไปถูกทางความเจริญของปัญญาจึงสนับสนุนความเจริญของสมาธิด้วยเช่นยิ่งรู้ชัดเห็นชัดก็แนวแ น, วแนวมั่นใจยิ่งมีสมาธิกล้าแข็ง ความเป็นไปขององค์ธรรมใหญ่สองอย่างคือสมาธิและปัญญาจึงมีลักษณะของการอาศัยและส่งเสริมกันดังที่มักอ้างพุทธภาษิตว่านัติชานังอปัญญสักชาญย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญาและนัติปัญญาอาชายิโนปัญญาก็ไม่มีแก่ผู้ไร้ชาญ พร้อมทั้งสรุปว่ายำหีชานันจะปัญญัะสาเวนิพานะสันติเกผู้ใดมีทั้งชาญและปัญญาผู้นั้นแหลอยู่ใกล้นิพพานชาญในที่นี้หมายถึงอารมณูปนิชานคือเพ่งอารมณ์หรือลักขณูปนิชานคือเพ่งไตรลักษ์ก็ได้ อธิคถาทั้งหลายเมื่อกล่าวถึงข้อธรรมต่างๆมักให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะข้อนั้นๆในแง่ต่างๆคือลักษณะราษฎหรือรสคือกิจหรือหน้าที่ปัจจุปัฏฐานคือเครื่องปรากฏหรือผลที่ปรากฏและปัฏ ฐ, ฐานคือเหตุใกล้ในที่นี้ เมื่อกล่าวถึงประฐานของสมาธิแล้วจึงเห็นควรกล่าวถึงข้อควรทราบเกี่ยวกับสมาธิตามแนวอัธกัฐานั้นให้ครบชุดกล่าวคือท่านว่าลักษณะของสมาธิได้แก่ความไม่สั้นสายรสะหรือรสของสมาธิได้แก่การกําจัดความสั้นสายหรือประมวลสหาชาตธรรมเข้าด้วยกัน ปัจจุปฐานคือเครื่องปรากฏหรือผลที่ปรากฏของสมาธิได้แก่ความไม่หวั่นไหวความสงบหรือญาณคือความรู้ตามเป็นจริงปัฏฐานคือเหตุใกล้ของสมาธิได้แก่ความสุขในบาลีแห่งปฏิสัมพิธามักแสดงอวิเคปะ คือความไม่สร่านสายหรือความไม่ฟุ้งซ่านเป็นอัถะคือความหมายของสมาธิและสมาสมาธิ